เวลามันมีโรคระบาดอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังตัวเอานะแต่นี้อะไรๆก็สู้ต้องระวังตัวเองไม่ได้ล่ะใครก็ช่วยเราละบากหมดเวลาทำมาหากินนะกลับบ้านพักผ่อนให้เยอะๆอย่าเอาติเที่ยวนะมันก็ลดความเสี่ยงลงสุขภาพแข็งแรงก็ค่อยอยังชั่วหน่อยแต่เวลามีโรคระบาดอย่างนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าความตายอยู่ใกล้ตัว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 ความจริงของเขาก็คือเขามีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้นะคล้ายๆคนนะวิ่งหนีหมาล่าเนื้อความทุกข์เหมือนหมาล่าเนื้อนะวิ่งไล่กัดตลอดเวลาเลยตอนยังมีเรี่ยวมีแรงเราก็วิ่งหนีห่างออกไปได้นะก็รู้สึกก็ยังชั่วหน่อยแป๊บเดียวมันตามมาอีกแล้วเหมือนความทุกข์เนี่ยตามบทขยี้ร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลา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 เป็นแค่ก้อนธาตนะุหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ความทุกข์ก็ตามบีบคั้นไปเรื่อยๆนะนี่ยพอใจมันเห็นความจริงในกายมากเข้ามากเข้านะความรักในกายก็ลดลงเนะบื้องต้นก็เห็นก่อนร่างกายไม่ใช่เราตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราอันนี้นับจํานวนไม่ท้วนแล้วมีเป็นพันมีเป็นหมื่นนะเพอนานไม่นานหรอกก็เห็นแล้วร่างกายไม่ใช่เรานะหลืออันเดียวเหลื อ, อยังเห็นจิตเป็นเราอยู่เราจะรู้สึกว่าในร่างกายเนี่ยมีเราอยู่คนหนึ่ง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 ภานาไปเห็นจิตก็ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช so so ่เราจิต <Europeans> ก <mad> ็ไ <despite> ม <mad> ่ใ <lettuce> ช <mad> ่เราไม่มีตัวเราอื่นๆที่ไหนเลยเพราะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราก็อยู่ที่กายที่ใจไม่ได้ไปอยู่ที่พื้นหรอกไม่ได้อยู่ที่อากาศที่ภูเขาที่ต้นไม้มันอยู่ที่กายที่ใจงั้นถ้าเมื่อไรเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเนี่นก็จะไม่เห็นว่ามีอะไรเป็นเราอีกละเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้เรื่อยๆพอมันไม่มีเราขึ้นมาจริงๆเนี่ความทุกข์มันอยู่ที่ไหนความทุกข์มีอยู่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 หลังจากนั้นพอเราภาวนามาถึงตรงนี้เนี่ยเรายังเห็นนะขันยังเป็นทุกข์อยู่ความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของความทุกข์มีอยู่นะแต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ค่อยๆฝึกไปเราจะเห็นเลยสภาวธรรมทั้งหลายนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีเจ้าของหรอกนะพอไม่มีตัวเราขึ้นมาสิอย่างเดียวโลกทั้งโลกไม่มีเจ้าของแล้วงั้นกลับค่อยฝึกเอาไม่ได้ยากเท่าที่คิดหดอก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 ความสงบชนิดนี้สมาธาิชนิดนี้ไม่เป็นไปเพื่อวิปัสสนาเป็นสมาธิที่มันมีอยู่ทั่วๆวไปเช่นเราไปหัดนั่งสมาธิ น, น, นั่งแล้วก็เคลิมๆลิมสงบนะหมดเวลาแล้วก็มีความสุขคล้ายๆหลับมาเต็มอิ่มตื่นขึ้นมามีความสุขใจก็ยังเยอมเยมเคลิมเคลิมติดความสุขของสมาธิออกมาเนี่ยสมาธิชนิดนี้ใช้ไม่ได้มันมีสมาธิชนิดหนึ่งคือสมาธิซึ่งประกอบด้วยสติ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 ทั้งขันห้าไม่มีตัวเรานะไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเรานอกขันห้าอีกก็เป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันไม่ใช่นั่งสมาธิบูบูบ้า บ, บ, บ, บาๆาแล้วเป็นพระโสดาบันนะต้องมีปัญญาเห็นเลยตัวเราไม่มีก <Go al> ็รู้สึกว่าเป็นพระโสดาบันแล้ววันหลังยังรู้สึกว่ามีเราอีกเนี่ยโสดาบันปลอมนะใช้ไม่ได้ <Go al> ไม่มีแล้วก็ต้องไม่มีเลยไม่ใช่ปลุบปลูบโลบโลเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีนะใช้ไม่ได้นี่พวกเราค่อยฝึกเอา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 จิตเกิดน <that> ิม so so yeah, so er ิตขึ้นมาเพราะตอนนั้นพลิกเป็นสมถะเกิดนิมิตขึ้นมาแล้วไปคิดว่าบรรลุมรรคผลนะเข้าใจผิดเพราะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยจิตจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนามันเป็นสมถะมันก็ได้พักผ่อนพักผ่อนแล้วมันเกิดติดอกติดใจในความสุขความสงบเรามีสติรู้ทันนะจิตก็หลุดออกจากการติดในความว่างอันนั้นหลุดออกมาอย่าเอาว่างนะอย่าเอาความว่างความสว่างความสงบอะไรพวกนั้นเป็นแค่สมถะ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 เกิดจนลืมตาเนี่ยครับจะถือว่าได้นหมครับได้พระพุทธเจ้าบบสอนงี้นะพิสูจทั้งหลายให้เธอคู้บันลังตั้งกายตรงดงํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้วยาวหายใจเข้ายาวรั้วยาวไม่มีคําว่าหลับตานะแต่ว่าเราเคยชินหลับตาหนะลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่หลับตาแล้วอยากให้เคลิม้มหลับตาแล้วมันชอบหลับจริงๆอยนางแบบนักมศการหลวงพ่อครับ คือเมื่อห้าเดือนที่แล้วส่งกันบ้านหลวง พ, พ่อบอกว่ากดให้นิ่งๆอยู่ฮะแล้วก็หลวงพ่อให้ไปดูกายผมก็ไปเดินจงกรมแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวไปแล้วขับรถแขนและมือขยับคเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมลึกเบาขึ้นฮะแต่สองสามเดือนแรกเนี่ยครับจะเห็นควาหมหงุดหงิดความขี้โมโหตัวเองตอนนี้ค่อยดีขึ้นครับถูกแล้วเพราะว่าคนที่ติดสมถะนะพอเลิกเพ่งเนี่ยจะขี้โมโหอย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่เกี้ เพราะมันเก็บกดมานานจิตมันถูกกดเอาไว้ให้นิ่งพอปล่อยเมื่อไหร่มันอารวาดเมื่อนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณก็ดูมันผ่านช่วงที่โมโหร้ายมาแล้วครตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆครับหลวงพ่อคุณครับดีนะไม่ดื้อพวกติดสมถะชอบดื้อคนนี้ไม่ดื้อนะหลุดออกมาได้แล้วธรรมัาสการหลวงพ่อครับผมเพิ่งฝึกใหม่ๆครับผมอยากจะทราบว่าที่ผมปฏิบัต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 จิตนิ่งๆทื่อๆอย่างนั้นไม่ดีอ่ะไม่เกิดปัญญานะของคุณรู้สึกไหมจิตเคลื่อนไวหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะใช้ได้นะแต่ว่าอย่าทิ้งการทำสมาธินะทำสมถะต้องทำเหมือนกันในรูปแบบอะนะไปเดินจงกลมไปอะไรเงี้ยไม่เคยทำครับแล้วนะเพิ่มขึ้นหน่อยเพราะใจมันไม่มีแรงจะฟุ้งแรงรแล้วถ้าขออีกพ่อะฮะก่อนที่ผมจะเข้าไปนั่งทาเนี่ยฮะ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 เรียนรู้มันไปหน้าแล้วก็รู้ทันใจของเราใจกลัวขึ้นมารู้ทันใจเป็นยังไงคอยรู้ทันบ่อยๆนะพอน่าเก่งนั่นเอเนี่ยในนี้ตื่นมาเต็มที่เลยที่ผมสงสัยอยากจะกรับเรียนถามเพิ่มเติมตรงที่เท่าที่สอบถามจากเขานะครับเขาบอกว่าเขาเคยเห็นรูปก่อนที่ที่ที่จะฟังซีดีหลวงพ่อเพียงแต่ว่าผมเริ่มเริ่มศึกษาเริ่มภาวนาตาม ตามแนวทางของพ่อมาประมาณเกือบเปือบปีนะครับที่สงสัยก็เพราะว่าเป็นไปได้เหรอครับที่ที่เขาไม่เรียนไม่ทราบเรื่องการภาวนาเป็นไปได้นะแต่ว่าเขาเห็นแล้วแต่จะไม่เข้าใจล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรเราไม่เข้าใจการภาวนาที่พวกเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ชาติแรกที่ทำหรอกคนไหนสั่งสมอบรมมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เล็กๆนั้นมันจะกลับมา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 มีปัญญาหราือว่าปัญญ า, ออามันเบื่อเพราะปัญญานะมันเริ่มเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างนะหาสาระไม่ได้เลยแต่ว่าจะหนีไปก็ไม่ได้นะเพราะไปไหนเมื่อเอากายเอาใจไปด้วยมันก็เอาเบื่อไปด้วยให้รู้ลงปัจจุบันไปเวลาภาวนาความจริงถูกต้องแล้วมันจะเบื่อเบื่อแล้วก็มีสติรู้ทันนะใจเป็นกลางขึ้นมาตามรู้ตามดูไปอีกภาวนาดีนะทั้งพ่อทั้งลูกเลยขอบพระคุณครับ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 ยังไม่นอนนะเดินจงกรมไปชั่วโมงกว่าเที่ยงคืนหมดเรื่องหมดแรงไปนอนนอนไปตื่นนึงนะก็ลุกขึ้นมาเดินอีกเนีย่ยเขาฝึกของเขามาอย่างนี้ด้วยความยากลําบากนะแต่ว่าไม่ท้อถอยเลยก็ฝึกจนกระทั่งวันหนึ่งใจมันเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างใจมันถอดถอนตัวเองออกะเราให้ฝึกเอาใช้เวลาเราเร า, เราเจ็ดเดือนหนึ่งของเราอย่าขี้เกียจเนาะ <c oughs> แล้วเราอย่าอ้างว่างานเยอะ งานทั้งหลายที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้เพื่อจะอาศัยอยู่ในโลกช่วครั้งช่วคราวงานในธรรมะนะข้ามภพข้ามชาติหนยเด็กเนี่ยเห็นไหมเด็กนี้เห็นรูปตั้งแต่เล็กๆยังไม่เคยฟังทำก็รู้จักรูปแนละ้แต่ว่าไม่รู้ชื่อเหมือนเท่านั้นเองขอบคุณค่ะคนที่เคยทํานั้นมันทำง่ายค่ะค่าได้ร่วมเกินหลวงพ่อก็ขออโหสิกรรมด้วยนะคะ อ, อโหสิทุกคนเลยนะไม่ต้องขอทีละคนอนะ่ะวิหารธรรมที่เหมาะสมของ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 เออเนี่ยตัวไม่ชอบเนี่ยเรียกว่ายินร้ายนะเห็นไหมเราถูกความไม่ชอบครอบงําจิตแล้วมันยอมจิตได้เห็นไหมถ้าดูจิตแต่ตรงนี้นะ่แรงไม่พอพยายามเคลื่อนไหวร่างกายไหมเราเวลานั่งอยู่บนรถรถตู้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็แบบพะรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํำอะไรต่ออะค่ะนั่งขยับมือเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปนะหลวงพ่อแต่ก่อนก็ทํานะ พอนาเรื่อยเลยเราเดินจงกรมจนขาเราฉิงแล้วเดินไม่ไหวขยับมือเอขยับขยับมากเมื่อยนะเหลือแค่นี้เองแค่นี้ก็เอานะมือนี้เมื่อยมามือนี้เอาเป็นทุกรูปแบบเลยบางทีนะถึงขนาดร้อนเต็มทีแล้วเอาพัดมาหนึ่งพัดพัดลมก็มีนะแต่ว่าปิดพัดลมแล้วก็พัดแล้วก็รู้สึกเอารู้สึกเอาไม่ทิ้งกายหรอกนะของคุณเนี่ยไปดูจิตรวดไปเลยตอนนี้ดูไม่ไหวหรอกอารมณ์มันครอบงําจิตง่าย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 สัญญามันบูดขึ้นมาเห็นหน้าคนโน้นคนนี้จิตมันทํางานไปสังเกตไหมเวลาจิตมันเห็นหน้าคนนี้ขึ้นมาความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งก็ได้ะบางทีคนก็ไม่ใช่คนที่เรารู้จักด้วยค่ะท่านเออไม่เป็นไรบางทีผีก็โผล่มาให้ดู <c oughs> นะไม่แปลกอะไรหรอกค่ <c oughs> นะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะอะไรเกิดขึ้นนะก็รู้ทันที่ใจ <c oughs> แต่อย่าไปจ้องอยู่ที่จิตก่อนจะ ก, กลายเป็นการเพ่งจิต <c oughs> เพ่งจิตใช้ไม่ได้นะ <c oughs> อ่ะต่อไป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 ทีนี้มันทั้งข้างนอกและข้างในกายหนูก็ดับด้วยอะค่ะสมมุติว่าหนูรู้สึกว่าง่วงอหนูยืนอยู่กําลังจับลูกปีติอยู่มันล้มไปทั้งทั้งคู่เลยอย่างนี้ค่ ะ, ะยืนอยู่ก็ล้มเหรอคือมันมันเหมือนกับว่าดับยาวกว่าทุกที อ, อย่างเนี้ค่ะเล่น เ, เคลื่อ น, นไหวไหมนะกระดูกกระดิกไว้อย่าให้อยู่นิ่งแม้กระทั่งหนูพูดโทรศัพท์อยู่หนูรู้สึกว่าหนูงน่วงปับหนูหลับไปเลยอะค่ะจิตมันติดในความสงบมันน้อมเข้าหาความสงบลูกเดียวเลยช่วงนี้ย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 ให้เคลื่อนไหวไว้ให้เยอะๆนะการที่เราเคลื่อนไหวหเห็นร่างกายทํางานไปเรื่อยๆนี่ก็คือการทําในรูปแบบอย่างหนึ่งนะค่ะแต่งานที่หนูดู ท, <ำ>ที่กายไว้ตอนนี้หนูรู้สึกเลยว่าหนูไม่รู้อะไรเลยอะคะ่ะมันเหมือนกับว่ามันเรียกว่าตุปัดตุเป๋เลยอะคะ่ะเหมือนดูไ ม, ไม่ได้เลยไม่มีอะไรทํานะพุโทโธไว้ก็ได้<ช>อย่างน้อยให้เหลือพุโทโธไว้อันหนึ่งก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธนะ หรือพุทโธธรรมโมสังโฆพอพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วพอใจมันจะเคลิบแล้วก็เปลี่ยนเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรเงี้ยนะพอมันสงบมันรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็มาพุทโธต่อไปมันต้องมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึง่งอย่าให้ขาดสติคือหนูเคยใช้เครื่องอยู่โดยการกระพริบตาอย่างเงี้ยค่ดกระพริตาไ ม, ไม่เดียดเมืม่อ<ด>ตายเลยเดี๋ยวก็เวียนหัวงั้นก็ต้องทํางานอย่างที่หลวงพ่อพูด่นะคะแล้วรู้สึกตัวแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมเจ้าคะเดี๋ยวมันมีแรงพอมันจะตื่นขึ้นมา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 พรแต่ดีอย่างเดียว <c oughs> น่าจะไม่เหี่ยวนี่ไปเรื่อยๆนะครับกลับมัสการหลวงพ่อครับผมขอส่งการบ้านในรอบสามไตมานนะครับคือกท็ที่ผ่านมาก็ ม, ม, มีมีมีฉันทามากขึ้นนะครับหลังหลังจากนี้ก็คือสามเดือนหลังนี่รู้สึกจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับก็ดูๆตัวเองไปก็เริ่มสงสัยเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ย เหมือนมันจะมีสามระดับนะครับระดับแรกคือเบาๆแบบเวลาเดินจงกรมไปแล้วมองมองดูร่างกายมันจะรู้สึกกายอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็จิตที่คิดนึกกรุงแตกอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีจิตดวงนึงไปรู้ในระหว่างเดินจงกรมนะครับ อ, อ น, นี่แบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองก็คือแบบเผลอๆไปแล้วรู้สึกอันนี้ก็เป็นปกติที่หลวงพ่ อ, อสอนนะครับอีกแบบหนึ่งที่เกิดกับผมเองคือ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 เออรู้สึกตัวไปแล้วมันไม่ไม่รวมเลยเออมันไม่รวมง่ายเวลารวมก็รวมไม่นานนะคแล้วก็นั่งไปแหละรวมไม่รวมก็นั่งไปทุกวันนะครับนั่งแล้วมันได้แรงครับสุดท้ายก็ขอขอกันบ้านนะครับโอ้ไปดูเท่านี้ก็เยอะแล้วนะที่มีสติรู้กายรู้ใจก็เต็มที่แล้วครับแล้วก็ถึงเวลาก็ทําความสงบเข้ามาให้ใจมีเรี่ยวมีแรงครับขอบคุณครับ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 ทีนี้หลวงพ่อเคยบอกว่าเคยติดประคองอยู่นิดนึงะครับตอนนี้ยังประคองอยู่ป่าครับตอบหลวงพ่อสิประคองไหน่อยนิงครับมีนิดหน่อน้อยนะไม่มากอะเพราาะตอนนี้<อ>มันไปน้อมใจให้นิ่งให้ซึมมากกว่าครับรู้สึกไหมไปน้อมให้มันเรียบร้อยอะ่ะก็รู้ทันเราใช้ได้แล้วละ่ะครับแล้วงี้ต้องข อ, อการบ้านเพิ่มด้วยครับถึงเวลาก็ถึงเวลาก็แบ่งเวลาให้ปฏิบัติในรูปแบบด้วยนะ คือเจริญสติในชีวิตประจำวันนี้สำคัญที่สุดนะแต่การทำในรูปแบบมันทำให้เรามีกำลังนี่อยู่อยู่ในร่องยีลอยอยู่ใช่ไหมครับตอยนี้ขอบคุณครับกราบน้ำรสการหลวงพ่อนะครับก็ปฏิบัติมาได้ประมาณ4ี่ถึงห้าเดือนนะครับผมก็รู้สึกว่ากิเลสตัวที่เห็นนี่บ่อยที่เป็นจิตที่มีโมหะนะฮะแล้วก็บางทีก็ไประลึกรู้กายอย่างเงี้ยครับล อ à, อยากทราบว่าผมนี่เป็นจริตประเภทไหนครับดูได้แนละ <c oughs> ดูได้ทั้งคู่ดูไปอ๋อนะสติระลึกรู้กายก็รู้ไปสติระลึกรู้จิตก็รู้ไป <ทะ S 2> สายกายสายจิตเนี่ยมันเป็นแค่ตอนจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเพื่อฝึกให้มีสติ <c oughs> บางคนดูกายแล้วเกิดสติบางคนดูจิตแล้วเกิดสติแต่พอเกิดสติแล้วไม่มีแล้วนะเดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็รู้จิตไม่ทู้อนเดียวหรอกครับผมของคุณรู้สึกไหมเดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็รู้จิตใช่ครับเป็นอย่างนั้นแหละ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 เมื่อกี้ตั้งใจว่าจะขอขมาหลวงพ่อบอลหลวงพ่อให้อภัยแล้วก็รู้สึกปล่อยใจหลวงพ่อแม่ไม่ถือโทษใครสินนะอภัยทั่วโลกเลยครับอภัยทุกวันเลยนะไม่ต้องขอว่าไงอีกที่ผมภาวนาอยู่เนี่ยครับอยงขณะนี้เรียกว่าเพ่งอยู่ใช่ไหมครับหรือเพ่งอยู่แต่ว่าใจมันเริ่มตื่นแล้วล่ะรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริง ใจเราเริ่มเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแต่เพียงแต่ว่าขณะนี้ตื่นเต้นก็นเลยเพ่งไว้ครันเล่ น, นะ น, นหน่อยภาวนาใช้ได้นะคุณอ่ะต อ, อนนี้ที่ผมฝึกตามแบบครับไม่ทราบว่าถูกจริตกับผมหรือย่างครับคือเช็คลมหายใจไปครับแต่ว่าไม่ได้เพ่งลมหายใจนะอะดูถูกต้องแล้วจิตมันตื่นได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้ น, นมาคุณรู้รไหมมันต่างกับตะกอนยังไง เห็นไหมแต่ก่อนกรรมฐานอย่างที่ทําแต่ก่อนนะจิตมันเข้าไปเกาะลมไวนะ้แล้วมันก็นิ่งอยู่งั้นแหละก็มีอยู่เท่านั้นเองตอนนี้พอเราไม่เกาะลมนะเราเห็นร่างกายหายใจนะเราเห็นรานกายนี้ไม่ใช่เราบางทีก็เห็นจิตทํางานนะเห็นใจรักอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เห็นใจรักนะมันไม่ขึ้นวิปัสสนาแท้ๆหรอกคําพบข้ามชาติไม่ได้จริงต้องขอติวการให้ขอบคุณหลวงพ่อด้วยนะครับกล่าวนวซันหลวงพ่อเจ้าคนะ่ะ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 จิตมันชอบคำนี้นะท่องคำนี้แล้วสบายใจสบายใจแล้วจิตสงบเห็นไหมมีความสุขแล้วจิตจะสงบรู้ลมหายใจนี่ไม่เวิร์กใช่ไหมอะไรนะรู้ลมหายใจนี่ไม่เวิร์กใช่ไหมหรือว่าลองดูลองดูลมหายใจวางไมคก่อนรู้สึกไหมเริ่มดัดแปลงจิตละตัวนี้แหละที่ผิดจะรู้ลมหายใจก็ได้แต่อย่าดัดแปลงจิตเอาต่อไปกบนวัตสการหลวงพ่อค่ะ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 พุทโธมันดีอย่างหนึ่งนะมันไม่ได้ไปเพ่งอะไรไม่รู้จะเพ่งตรงไหนว่าพุทโธไปรู้ลมหายใจก็ชอบไปเพ่งลมหายใจจะให้ไปดูจิตก็จะไปเพ่งจิตอะไรเงี้ยแต่ให้ท่องพุทโธไม่รู้จะเพ่งที่ไหนนะสบายตรงนี้แหละต่อไปก็ควรดูจิตไปดูกายของคุณตอนนี้นะต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้เยอะเยอะด้วยนะพยายามหางานทํานะกระทบอารมณ์ให้แรงขึ้นนิดนึงจิตมันน้อมเข้าไปอย่างนี้ไม่ดี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 นมัส ก, การค่ะหลวงพ่อคือเริ่มตามดูจิตมันได้ประมาณสองสมเดือนนะคะ่ะแล้วรู้สึกส่วนใหญ่ที่เห็นในแต่ละวันนะคะจะรู้สึกเห็นแต่ตัวหลงคิดนะคะอืมก็จิตเราหลงคิดบ่อยนะแล้วมันไม่ค่อยมีความสุขด้วยเราก็รู้ทันมันไปแล้วมาสองสามวันเนี้ยคะ่ะจะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเพ่งะะอ่ะค่ะอ่าถูกต้องแล้วทําไงดีใจชอบหรือใจไม่ชอบ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 แต่ว่ายังสงสัยว่าบางวันนะคะก็รู้สึกเหมือนรู้ค่ะแต่บางวันก็เหมือนไม่แน่ใจว่าเป็น<ม>อย่างนั้นทุกคนหละ เ, เป็นอย่างนั้นทุกคนนะบางวันภาวนาง่ายบางวันเหมือนภาวนาไม่เป็นเป็นทุกคนพอ ร, รู้สึกว่าภาวนาไม่เป็นอย่าไปดิ้นรนค้นคนว้าให้รู้ว่าใจมันเหมือนกับไม่รู้เรื่องดูดูไม่รู้เรื่องก็รู้ว่าดูไม่รู้เรื่องไปถ้าเราไม่ชอบเราไปยิ่งดิ้นรนค้นคว้านัยิ่งเสียเลยยิ่งดูไม่ออก กราบขอบพระคุณค่ะการภาวนามันมีแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมไปด้วยนะบางทีก็รู้บางทีก็หลงบางทีก็รู้บางทีก็หลงไม่มีหรอกดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรไม่มีครับก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับสุดท้ายนี้จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาหลงชินอย่งนี้ในการกล่าวถวายทานในหลวงพ่อนะครับ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 สัพเพภูเรนตูสังกปาจันโดพนรโสยถ า, ามณิโชติลาโสยถ า, าสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภาะอภาิวาธนาสีลิสนิจังอุทธาปจายโนจัตตาโรธรมาวัฒ น, นติอายุวันโนสุขขังพระลัง ภาวนานะภาวนามีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากหรอกนะถ้าดูจิตใจได้ดูไปดูไม่ได้ดูกายทำไม่ได้ทำความสงบเข้ามานะให้มีเรี่ยวมีแรงนะทำสมถะทำวิปัสสนาไม่ทิ้งนะไม่ทิ้ง